สิขาได้อย่างไรและถ้าหาวเราทำไม่ถูกมันก่อให้เกิดกระบวนการของราคาโทสะมูหาได้อย่างไรอันนี้คือมันมีเหตุปัจจัยที่พุทธยาาท่านจัดว่ามันเป็นในปฏิเจสุบาทแล้วก็ปัจจัยาการที่มันต่อเนื่อ ง, ง, ง, งกันไปเพราะฉะนั้นถ้าใครทำตรงนี้ซ้ำๆจนกระทั่งเห็นอาการของหนักเบา เข้าออกตึงเคร่งไหวตึงหย่อนของร่างกายเนี่ยชัดอยู่ในคลองของความทรงจำได้ชัดเจนเสมอเนี่ยตรงนี้เรียกว่าได้อารมณ์ขั้นที่หนึ่งเรียกว่ารูปนามเห็นรูปนามคือเห็นความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจออกมาเป็นความรู้สึกที่มันทุกข์เพราะคนส่วนใหญ่นี่สุดโตงใช่ไหมเพราะทุกข์หนักหนักก็ตีกลับมาทางที่ไม่อยากทุกข์เลย ทำอไรก็ได้ให้สบายให้สนุกที่สุดแต่ที่นี้ในความจริงของชีวิตเนี่ยเราจะอยู่ขั้วสุดขั้วอย่างเงี้ยเวลาสุขก็สุขสุดสุดเวทุกข์ก็ทุกข์สุดสุดเนี่ยอันนี้คือเป็นเหตุเป็นเหตุให้ต้องเวียนว่ายใจเกิดจากสุขมาทุกข์จากทุกข์มาสุขจากนรกมาสวรรค์จากสวรรค์มานรก อากให้ตัวเกิดมาเป็นตัวดับทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาค้นพบเรงกฎเรืองความพอดีหรือกฎของอนิจจกฎของปัจฉิมาปฏิปทาคือความความพอดีเนี่ยว่าคนเราไม่ควรสุขเกินไปและไม่ควรทุกข์เกินไปแต่ควรบาลานซ์ทั้งสองส่วนสุขทุกข์ในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันเพราะฉะนั้นจึงว่าทนใช้คําว่าท น, าทนสุขนี่เพระว่าทนได้ง่ายทุกข์เพรว่าทนได้ยาก ชีวิตจริงต้องทนนะแต่ให้มันทนถ้าไม่ทนเลยเนี่ยสุดตรงคนจึงวิ่งไปหาภาวะที่ไม่ต้องทนคือสุขเกินไปสงบเกินไปแต่พอไปเพลินสนุกสนุกสนานกับรูปเสียงกีรดก็ตีเหวี่ยงไปให้สนุกพอสนุกมักลายเป็นทุกข์สนุกสนานในการกินสนุกในการสนุกกันเล่นกันสนุกกันเสพสนุกกันเพลิดเพลินในเรื่องมันก็ตีเป็นทุกข์ ทุกเราก็วิ่งหาที่ออกจากทุกตีมาเป็นไม่อยากจะทนอะไรกลับมาเป็นสุขให้เต็มที่ก็มีการเสพการกินทั้งของอะไรต่างๆเพื่อให้ผ่อนคลายให้เต็มที่เพราะฉะนั้นของเสพติดจึงไม่สามารถจะหมดไปจากโลกนี้ได้เพราะเป็นการผ่อนคลายที่รวดเร็วต้องใช้ตัวนั้นช่วยไม่ว่ากิน เ, ลเหล้ายาเฮโรอีนผมฟินผมขาวยามายาไอย า, อยา ขยันอะไรก็แล้วแต่ทําให้ร่างกายนี้ผ่อนคลายอย่างรวดเร็วคนก็ได้ไปเสพติดเพราะผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขแต่ว่ามันมันไม่เป็นธรรมชาติเพราะมันเกิดจากสารกระตุ้นของเคมีในร่างกายเท่านั้นเองเพราะนั้นเมื่อมาใช้หลักของมัชฌิมาปฏิปทาให้บาลานซ์ระหว่างความหนักความเบาให้สมดุลกันไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไปพอทนได้เพราะนั้นสุขเรียกว่าทนได้ง่ายกว่า ทุกแปลว่าทนได้ยากกว่าเท่านั้นเองนะนั้นไหนๆภาวะที่เราต้องทนเนี่ยถเราทนหนักก็ยังให้มันหนักเกินไปเบาไว้ให้เบาเกินไปหนักบ้างเ บ, บาบ้างสลับกันนี่หลักของการสมดุลซึ่งถ้าเราเข้าใจหลักอันนี้ปั๊บเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นกายเห็นจิตทํางานร่วมกันเป็นธรรมไม่ใช่ไปเห็นดวงแก้วดวงแสงสว่างอะไรประหลาดประหลาดยิ่งเขาเห็นกันนะ คือเห็นธรรมชาติของตัวเองแล้วเข้าไปจัดการให้หนักได้ให้เบาได้ใ ห, ไดให้ผ่อนได้ให้คลายได้เมื่อมันหนักก็คลายได้ขั้นที่หนึ่งเห็นตัวนี้ก่อนพอเห็นเดนเน่รู้ทุกมันลดลงครึ่งเลยนะเพราะมันรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวกับตัวเองรู้จักคนหนักคนเบารู้จักสบายไม่สบายกับตัวเองได้ชัดต่อมาเอ๊ะเราทําแค่เนี้รู้จากคนหนักคนเบาของร่างกายของจิตใจได้แค่ยงสบายกว่านี้ เราก็อยากจะให้ศึกษาได้ลึกไปกว่า น, นี้ขั้นต่อไปทําไงเมื่อเอาสักยี่ิเปเซขึ้นไปนะรู้หนักรู้เบาเนี่ยไม่ใช่ร้อยปอร์ซนี้จะทำไงให้มันห้าสิเอร์ซนขึ้นไปให้เบาสบายสักห้าสิบเซนต์ขึ้นไปยี่ห้าเอซนอย่างแค่นี้แต่ถ้าหากว่ามันต่ํากว่า25เปเซนตก็ยังไม่ถือว่าเป็นการรู้ลูก ร, รู้น้ำคือหมายเขาว่าสัมผัสความหนักความเบาความสบายไม่สบายของร่างกายเนี่ย สมมติว่าใน1้อยนาทีเนี่ยการรับรู้ต่ออากาศเหล่านี้ไม่ถึง25นาทีไม่ถือว่ารู้รูปนามเพราะมันยังอัพกันดาวอยู่แต่ถ้าสมมติว่าเรารับรู้การเคลื่อนการไหวการความรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงในร่างกายในชัดแต่มีอะไรมากระทุ้บปึง้งความจิตมันกระเด็นไปกับเรื่องนั้นแต่ทันทีมันไม่ให้ไปทั้งหมดมันเหลืออยู่ 2 5่จิตกลับมาทันเพราะมันประคองใหม่บางอารมณ์เป็นอารมณ์ที่หนักมาแรงมากถูกดาถูกปรามาถูกเหยียดหยามถูกอะไรแรงมากปึ่งล้มไปพอได้สติลุกขึ้นมาซึ่งอาการเหล่าวนี้อาการเข้าออกของจิตที่สติที่เราฝึกเนี่ยการฝึกสตินี่เพื่ออะไรเพื่อความไวให้ทันความถี่ของจิตเพราะจิตมีความถี่สูงมากเพราะนั้นเราจึงต้องฝึกความ รู้เนี่ยรู้ด้วยอำนาจของสติสติจึงแปลว่าความถี่ที่สูงมันมาจากคําว่าสระธาตุที่เรามาใช้คําว่าสอนลูกศอนสอนแปลว่ามีความถี่ที่สูงในการยิงไปให้แค่ลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยสัตว์ที่ต้องการยิงตกแค่ถ้าช้ากว่า น, นั้นไม่ได้ไม่ทันสัตว์เขาปึ่งออกไปหมือนเขา่าสัตว์ไม่ทนันรู้โดยถูกลูกสอนเสียก่อนนั่นแสดงว่าความถี่ของลูกศรเนี่ยท่านก็เลยยืมคําคําเนี่ย อาการของลูกศรนเนี่ยที่มันมีคำสอนไปว่าแล่นไปว่าสระไปว่าแล่นแต่ด้วยอํานาจของวิพัติปัจจัยของภาษาบาลีลงติปัจจัยเอาติมาบวกกับวสระอํานาจของกฎกติกาทางไวยากรณ์เมื่อติปัจจัยลงหลังท้ายธาตุของศัพท์ตัวไหนหลังธาตุตัวนั้นต้องถูกไปยุบรวมกับตัวปัจจัย เพราะฉะนั้นลงติปั จ, จัยมาบวชสรารธาตุมันก็เหลือคําว่าสติตัวละหายไปด้วยอํานาจของติปัจใจในในภาษาบาลีแต่พอไปลงณนะปัจจัยณนะปัจจัยลงแล้วกติกามันบอกว่าไม่กินธาตุไม่ฆ่าธาตุไม่ทําลายธาตุไม่เบียดเบียนธาตุแต่ทําให้ธาตุยังอยู่อย่สมบูรณ์สระดุนั้นมันก็กลายมาเป็นสรารนะนนทนใช่ไหมสราระแปลว่าอะไร แปลว่าที่พึ่งใช่ไหมคนละเรื่องเลยสติก็แปลมารากเดียวกันสอรเอหมือนกันแปลว่าที่ระลึกแต่ว่าโดยเป็นรูปประทางแปลว่ามันแล่นมันพุง่งมันยิงจากลูกศรกลายมาเป็นปืนอันนี้เป็นอะไรลูกกระสุนใช่ไหมยิงโปเลยวะฝ่ายที่ถูกยิงเนี่ยไม่รอรูตัวเอาลมไปแล้วอันหมายเขาว่า พอสติถูกพัฒนาให้มันเข้มแข็งความถีที่สูงมากจิตจะขยับไปคิดเรื่องอะไรสติพุ่งถึงตัวทันทีเลยความคิดที่กำลังจะตั้งต้นหล่นพัวลงไปนั่นหมายความความไหวของสติหมายความว่าตัวกระสุนคือสติเนี่ยวิ่งไปทันความถี่ของสติต้องสูงกว่าจิตนี่คือคือพระเจ้าท่านถึงเอาสติเป็นฐาน นั้นทำมาดหมื่นสี่พันพระธนรมขันธ์ไม่ว่าถ้าไม่ได้เอาปัญญาเป็นฐานมาสมาธิเป็นฐานหรือตัวยานอะไรเป็นฐานปัญญาไม่เอาสติเป็นฐานเพราะว่าตัวสตินี่เองมันจะเป็นแม่บทให้เกิดทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งยานยานทัศนะวิ ช, ชาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอมาเจริญความรู้สึกตัวเนี่ยเพื่อเพิ่มความเร็วความถี่ของตัวรู้สึกเนี่ยให้เร็วที่สุดเท่า เทาที่จะเร็วได้จนกระทั่งมันไปเหนือความถี่ของจิตรู้ว่าจะต้องฝึกกันขนาดนั้นเพราะนั้นลำพังในการฝึกเพียงในยีเดียบ ท, ที่เราทำอย่างนี้นมันจิงไม่พอความถี่ของสติไม่พอมันจะต้องบูรณาการลงไปในทุกๆ ก, กิจกรรมเพราพฉะนั้นเราก็นิยมพูดกันว่าในทุกยีเดียบท แต่ความจริงถ้าเราไม่มีศรัทธาและปัญญาจะเข้าใจความจริงมันเสียก่อนเราทำขนาดนั้นไม่ได้หรอกเพราะมันไปฝืนสัญชาตญาณของเรามากเกินไปมันจะรู้สึกตึงและเครียดแต่พอเราเข้าใจถึงความเป็นจริงของมันว่าทำสั่งสมตัวรู้นี่เพื่ออะไรเนี่ยเราจะทำอย่างสนุกสนานตรงนั้นนะเรียกว่าค่อยสู่กระแสแล้วค่อยสู่กระแสของอริยมรตหมายค่อยจิตของเราไม่ได้ออกจากกระแสตัวนี้ ไม่ออกจากกระแสตัวรู้ไปวิ่งไปหากระแสตัวคิดกระแสตัวคิดเป็นกระแสแห่งวัฏสงสารกระแสแห่งตัวรู้เป็นกระแสแห่งพระนิพพานแล้วก็ฝึกเสือเอาดึงสติเนี่ยเอาจิตมาวิ่งอยู่ในกระแสแห่งตัวรู้อยู่อย่างนั้นแหละจนกระทั่งตัวรู้เนี่ยกับจิตเป็นอันเดียวกันเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าความรู้อย่างสมบูรณ์ภาวะตื่นรู้อย่างสมบูรณ์ก็เกิดขึ้นเรียก ว, ว่าพุท ธ, ธาภาวะเพราะฉะนั้นหลักการของคําสอนพระเจ้าถึงแม้ว่าจะเป็นนามธรรมเนี่ยแต่มันสามารถเห็น ชัดเจนอะธิบายได้เหมือนลูกธรรมถ้ามันเราสัมผัสเข้าไปภาวะนี้แล้วเนี่ยนั่นามาจถึงมั่นใจว่าทุกคนรู้ได้แต่ว่าจะพัฒนากำลังของสติเนี่ยให้มีความสีสูงกว่าจิตได้อย่างไรนั้นหมายความว่าเราจะจับตัวรู้จนเป็นนิสัยเลยจนกระทั่งตัวรู้กายมาเป็นบุคลิกเป็นนิสัยท่านใช้คำว่าปรมาจิถ้าเมื่อไรตัวรู้เนี่ยเกิดเริ่มเป็นนิสัยทั้งยี่เปอร์ขึ้นไปเนี่ย ถ้าเรียกว่ารู้ปรมัจิตเพราะประมัจิตคือหมายความว่ามันเป็นเองโดยที่ไม่ต้องไปคอยกระตุ้นไปเร่งเราให้เกิดตัวรู้แต่ตัวรู้มันแฝงฝังขึ้นมาเป็นนิสัยขึ้นมาเนื่องจากทําบ่อยๆเหมือนเราขี่จักรยานบ่อยๆจนจนเป็นเน่ยเราไม่รู้สึกยุ่งยากเลยจะปั๊บขึ้นไปเลยหรือเราขับรถเราขับทุกวันทุกวันนั่งปับ๊บเท้ามือเท้ามันไปเองว่าเกียร์อยู่ในเบรกอยู่ในคลาสอยู่ตรงไหนปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนมือเท้ามันไปเอง นี่เขาเรียกรู้แบบเป็นนิสยัยถ้าเป็นภาษาจิตเขาเรียกเป็นปรมัิว่าเออตัวคิดตัวนี้มาเนี่ยตัวรู้ตัวไหนต้องไปทำงานตัวโลภมาตัวรู้ตัวไหนต้องออกไปทำงานตัวโกรธมาตัวหลงมาเนี่ยตัวรู้ที่สั่งสมมันจะออกไปทำงานตอนไหนได้อย่างไรเนี่ยมันเขาจะนี้กันเองเขาเรียกเกิดการ อ, อ, อย่างอาวุธสมัยใหม่ใช่หมที่เขาดักอาวุธขีปนาวุธเนี่ยอาวุธตัวนี้เรียกว่าถ้ามี แสงและเกิดความร้อนเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยอาวุธตัวนี้ที่ส่งผลิตมาใหม่ต่วิ่งเข้าหาทำลายอันนั้นเลยคล้ายพว ก, พวกขีบนาวุธกันทำลายมันก็มาจากคอนเซปต์อยู่คือเรื่องจิตตี่เองซึ่งเป็นเรื่องที่ค้นพบตรงนี้ว่าเป็นคนพบที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติของอที่พุทธองค์เจ้าสายชิทธา ท, ที่ได้ค้นพบในสิ่งนี้แล้วเราเรานมาศึกษาตามมาปฏิบัติตามสังเกตตามรู้ตามเห็นตามในฐานะเป็นสาวกเนี่ย มันก็เห็นตามดูตามได้ซึ่งเราทุกคนทำได้แต่ว่ามันจะมีข้อจำกัดอยู่สองตัวล็อกเอาไว้หนึ่งเรามีศรัทธาแค่ไหนสองปัญญาคืออยู่นโสมนิสิกานี่เรามีมากน้อยเท่าไหร่นะเพราะนั้นตัวศรัทธาตัวนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันจะต้องมีที่เกิด จู่ๆจะเกิดสัทธาอยากปฏิบัติธรรมอยากจะศึกษาวิปัสสนาเนี่ยมันมันไม่ใช่มันจะต้องได้เห็นตัวอย่างได้ฟังคาพูดคาสอนใน้อ่านหนังสือได้ฟังซีดีได้เห็นบุคคลที่อ่นั้นมีความสุขให้เราเห็นมีความไม่มีปัญหาให้เราเห็นแล้ว เ, เริ่มอยากรู้ไต่ถามพบปะกับบุคคลผู้นี้เราเรียกบุคคลผู้นี้ว่ากัลยาณมิตร เราจะต้องพบหนึ่งการยานมิตรคือคนแนะนําจะเป็นใครก็ได้สามารถเป็นการยานมิตรของเราแต่แนะทาในทางที่ที่ถูกตรงกับข้อมูล น, นี้อันที่หนึ่งเพราะการยานมิตรนี้เกิดขึ้นแล้วจะทําให้เราได้เกิดปัญญา3ระดับหนึ่งสุตมรยปัญญาการยานมิตรจะพูดให้เราฟังการยานมิตรจะแนะนําเราอาจจะเป็นหนังสือจะเป็นซีดีจะเป็นเว็บไซต์จะเป็นอะไรก็แล้วแต่นั้นถือว่าเป็นการยาณมิตรทั้งที่เป็นรูปแบบบุคคลและรูปแบบ สื่อวัตถุนะเมื่อได้ยินได้ฟังบ่อยเข้าเบ่อเข้าเกิดการาค่อยๆพิจารณาตามศึกษาในเรื่องนั้นให้ชัดเจนให้หายสงสัยเป็นปัญญาระดับที่สองเกิดขึ้นก็จินตามยาปัญญาจินตามยะปัญญาเมื่อเข้าใจก็ยังไม่หายสงสัยแล้วลงมือพิสูจน์ลงมือทําเราก็ได้ปัญญาระดับที่สามเรีวภาวานามยะปัญญาลงมือทําเลย และตัวลงมือทํานี่เองก็จะทําให้เราเกิดสติสัมปชัญญะปัญญาไปเรื่อยเกิดโยนิ ส, สูรมนุษการไปเรื่อยๆนี่คือองค์ประกอบสําคัญที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นบุพภนิมิตแห่งมรรคผลคือทำสองประการหนึ่งกริริยานิมิตและโยนิสูมนุิการโยนิสูมนุิการคือสติสัมปชัญญะและปัญญานั่นเองนะทั้งสองอย่างนี่เรียก ว, ว่าเป็นบุพภนิมิตแห่งมรรคผลท่านบอกว่า เมื่อใกล้รุง่งเมื่อเราไปต่างถิน่นเราไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนแต่อยากจะรู้ว่าทิศไหนเป็นทิศตะวันออกเราก็จะสังเกตว่าแสงเนแสงทองเนี่ยขึ้นทางไหนเราก็กำหนดทิศนั่นะเป็นทิศตะวันออกท่านบอกว่าชันใดนะพูดเรื่องการรู้ทิศทางของภ า, าทิตย์ขึ้นสังเกตถึงแสงสว่างขึ้นถึงจะรู้ว่าเป็นทิศตะวันออก เราจะสังเกตว่าอริยมรรคที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเราเนี่ยเพราะอาศัยอะไรอาศัยสั ญ, ญญาณสองประการคือการะะนิวิธและอยู่นิสวนมนสิกานะเป็นสัญญาณแรกอันนั้นเองเราก็ต้องอพยายามศึกษาในระดับนี้ไปเพื่อให้เกิดทักษะเกิดความชี่นวมชชานาญขึ้นเรื่อยๆซึ่งอามาเองหลังจากเข้าใจหลักการอันนี้แล้วนี่ก็ มาทบทวนตรวจสอบที่สูญไปเลื่อยๆจนกระทั่งเราได้รับผ่อนคลายการผ่อนคลายเพราะการที่เราเห็นการทํางานของใจรักแล้วไม่เข้าไปสําคัญมั่นหมายอาการของแใจรักว่าเป็นตัวเราเป็นของเราแต่มันก็คือการทํางานของกฎธรรมชาติระหว่างตัวเกิดกระดับแต่ในระหว่างกลางเนี่ยการเกิดดับ ที่เป็นวัตถุมันจะต้องเป็นความแปรปรวนแต่ความจริงการเกิดก็คืออนิจจังการดับก็คืออนัตตาแต่ด้วยการแปรปรวนระหว่างกลางนี่เองมันจึงเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการเกิดดับออกมาเป็นรูปก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองนะและการเกิดดับที่ไปเปลี่ยนท่าที่เป็นนามก็คือความพอใจไม่พอใจและความเฉยเฉยหรือมาเป็นราคะโทสะโมหะในโอกาสต่ตอไปเพราะนั้นตัวเกิดดับจึงแปล เป็นสภาวธรรมทั้งหมด 84,000 นี่พันกนะันแต่พระองค์ถ้าจะอยู่ไปนานกว่า น, นั้นนะมีชุบชนมายุขึ้นเป็นร้อยอย่างนี้นะก็มไม่ใช่แปดหมื่นสีพันะเพราะจะเห็นมากกว่า น, นั้นนะอันนั้นนี่คือหลักของพุทธธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์มากๆเลยนะถ้าเราเข้าใจหลักการอันนี้แล้วเนี่ยชีวิตมันมันชักเต็มไปได้วยความหมายในการรับรู้อะไรที่ไม่สิ้นสุดเลยนะ คือนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราใช้ความสามารถในการรู้ของเราแค่้าในร้อยหนึ่งเนี่ยแต่มันเหลืออีกสักแ0 90% เ้เรายังไม่รู้เพราะเรายังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลไกของธรรมชาติของจิตของกายของจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นเองชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยเราเกิดมาไม่ถึงร้อยปีอยากจะให้ทุ่มเทเพื่อศึกษาเรื่องนี้สักครึ่งหนึ่งเลยนะเพราะอะไรเพราะถ้าหากว่ามันเป็นผลดีมันเป็นพุ ประสบาลสำเร็จเนี่ยหนึ่งเราไม่ต้องไปเวียนว่ายใจเกิดให้ทุกแล้วทุกอีกโดยที่ไม่รู้สิ้นสุดสองเราสามารถได้ใช้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ทเราได้มีการเวียนว่ายใจเกิดมาที่สร้างบุญสร้างบาปมาตลอดเนี่ยบาปที่สร้างมาตลอดมันก็จะหมดสิ้นไปบุญกุศลใดที่เราสร้างมาตลอดพบชาติกับกันเนี่ยเราก็จะได้รับทั้งหมดมารวมลงในสูงนี้กเาเรียกว่านิพพานสมบัติ พระสมบัติมีสามใช่ไหมมีอะไรบ้างมนุษย์สมบัติสองสวรรค์สมบัติสานิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติก็คือเราได้กินได้อิ่มได้อายตนะได้ร่างกายนี้มาดีได้เสพสุขกับอายตนะทั้งหกได้นะไม่พิกลพิการแขนขาไม่พิกลจริตไม่ ร่างกายปกติดีเป็นมนุษย์สมบัติที่เราได้สวรสดิสมบัติก็คือได้เสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้บ่อยขึ้นมากขึ้นได้ยาวนานขึ้นกว่าคนปกติธรรมดาเขาจึงสมมุติบุคคลนี้ว่าเป็นเทวดาก็คือมนุษย์เองเขาได้ดังใจแต่มนุษย์นี้ดังได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างแต่เทวดาเทวดาส่วนใหญ่ได้ดังใจเลยเทวดายืนไปนิพพานได้ยากเพราะมันไปยึดติดเอา อาศาธะความประเดีอยว่าเป็นเป็นนิพพานแต่ น, นิพพานสมบัตินั้นหมายถึงการเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริ ง, รงในความเป็นไปของทั้งอพอใจไม่พอใจเนี่ยความไม่พอใจมนุษย์ส่วนใหญ่มีอยู่เป็นมนุษย์สมบัติความพอใจเป็นสวรรค์สมบัติการอยู่เหนือทั้งความพอใจไม่พอใจได้เป็นนิพพานสมบัติไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ทําไมมันทํายากเหลอือเกินเพราะเราขาดอะไร ขาดศรัทธาและความเพียรขาดศรัทธาและปัญญาศรัทธายังไม่เกิดเพราะขาดอะไรเพราะขาดการันตมิตรแต่วันนี้ถ้าสมมติว่าอาตมาเป็นการันตมิแล้วยังเหลืออะไรเหลือศรัทธาและปัญญาอันนี้คือมันมันล็อกไปในตัวเสร็จเลยเพะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เราทั้งหลายเนี่ยไม่ควรจะพลาดเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วน ประชากรของประเทศไทยประมาณ70ล้านคนเนีถ้าเรามาฟังกันนี้ไม่ถึงล้านาใช่ไหมไม่ถึง 0.0.0.1% ของคนทั้งหมดเพราะนั้นเรามีคนกลุ่มเนียมาศึกษาที่ไหนมาศึกษาแล้วในเบื้องต้นทุกคนมันจะยากหมดแหละแต่ขอให้อย่าทิ้งความพยายามเพราะนีถ่ถือว่าเราได้ได้พบชาติมาดีแล้วเนี่ยให้ศึกษาไปเรื่อยๆและกรณีศึกษาก็ไม่ยาก ดังที่ได้นําเสนอแล้วว่าก็คือดูหนักดูเบาดูเข้าดูออกดูสบายไม่สบายของกายไปเรื่อยๆชัดๆอย่างนี้แหละจนกระทั่งว่าถ้าหากว่ามันเกิดอาการเบื่อเซงเกิดขึ้นก็มีกรณีดเดียวว่าการเฝ้าดูของเราไม่ลึกพอไมอ่ไม่ละเอียดพอมันก็จึงเกิดตัวนั้นขึ้นมาแต่ถ้าเราเห็นตรงนี้ลึกละเอียดกว้างแล้วมันเป็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจมากกว่าที่จะมานั่งเ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งาะงงงงงงแงะแงใช่ไหม มากกว่าที่จะไปเพลินติดอันนั้นติด น, นี้ไม่มันเป็นเรื่องที่ตื่นตาตดื่นใจได้เห็นสภาวะความเป็นจริงแล้วธรรมทัศนังการได้เห็นทัศนานุตริยะท่านว่าการได้เห็นอันเลิศอันประเสริฐทัศนานุตริยะด้วยการเห็นอันนี้เพราะฉะนั้นเองคนไหนที่เคยทําสมถะจนติดแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้สังเกตว่ามันเที่ยงไหมในความสุขสงบที่ได้จากการนั่งสงบ แต่การเข้าฌานเที่ยงไหมไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ย ằng, สงสมควรไหม learning, เราจะไปพึ่งพาสิ่งนั้นไม่สมควรสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นแปรปรวนสมาธิที่สงบนิ่งดีแล้วเนี่ยแปรปรวนไหมพอมาหมดอํานาจสมาธิก็ไปไงแปรปรวนแล้วหมดใช่ไหมสิ่งไหนแปรปรวนสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือเราจะไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นที่พึ่งผุที่เจ้าท่านถามใช่ไหมมันไม่ควรเราจะเอาอะไร ก็อย่าไปเอาสิ่งที่แปลปรวนมาเป็นที่พึ่งแต่ความรู้สึกตัวนี่ที่เรารู้สึกได้เนี่ยแปลปรวนไหมถ้ายัางไม่คงที่ก็แปลปรวนแต่ว่าเราเรียกกลับได้ตลอดเพียงแต่ระลึกมันก็มาแล้วใช่ั้มแต่สมาธิระลึกให้มันนิ่งทันทีเนี่ยได้ไหมไม่ได้แต่สติลึกรู้รัวได้ทันทีเมื่อมีสติ ที่ต่อเนื่องได้ระดับหนึ่งสมาธิก็เกิดเองเพราะฉะนั้นสมาธิที่เกิดจากสัมมาสตินั้นถ้าเรียงองค์มรึก็เป็นสัมมาสติและสัมมาสมาธิใช่ไหมเมื่อตามรู้อาการของกายเวทนาจิตอารมณ์เนี่ยได้ได้นานขึ้นสมาสมาธิก็เกิดเพราะฉะนั้นสมาสมาธิที่เป็นองค์มรึกต้องสัมพันธ์กับตัวสติที่เหล่านั้นแต่การไปนั่งนิ่งหลับตาเฉไวสุขกับองค์ฌานต่างๆโดยขาดสติสัมปชัญญะเนี่ยก็ไม่ใช่สมาธิใน พุทธศาสนาเป็นในที่ของของพราหมณ์ของฮินดูซึ่งเขามีมาก่อนพุทริจ้าพุทธิจ้าท่านก็ไปทำทั้งหลายปีใช่ไหมกับกับอาล า, าัรดบทอุทกานุสามารถมีฤทธิ์มีเด็ดดําดินบินบ น, บนล่องนหนหายตัวได้ทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่พอใจเพราะอะไรเพราะเวลาไปตั้งใจทำสมาธิอาการเหล่านี้ก็มีเมื่อไม่ได้นั่งทาสมธิก็แปปวนหายไปแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่พึ่งไม่ได้ จนกระทั่งท่านว่าพิจารณาถึงอาการของรูปมีเพราะอะไรอาการของนามมีมาจากไหนไล่ไปไล่มาไล่ไปไล่มาในเห็นโอมาจากตรงนี้เองทีนี้เราอยากจะลึกเข้าไปกว่านั้นว่าการเกิดดับมาจากอะไรเพรอเรารู้ว่าการเกิดดับกันหนักกันเบากันเข้ากันออกเนี่ยมาจากกายกายมาจากจิตแล้วจิตที่มาเป็นตัวเกิดเกิดดับเนี่ยเอาพลังนี้มาจากไหน อท่านใช้ว่ามาจากกรรมกรรมเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืช น, นี้เมื่อมันยังไม่ได้นํามาลงดินถูกน้ําเนี่ยมันก็คือยังเป็นมเมล็ดพืชอยู่ใช่ไหมแต่มเมล็ดพืชเม็ดนี้เมื่อมันลงน้ําลงดินลงปุ๋ยแล้วมันก็จะมีพลังจากเม็ดมะขามเม็ดแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าโอ้มันโตขยายไปบรรลุกกี่ี่ล้านเท่านะนั่นคือพลังของมันใช่ไหมพลังของการเกิดดับ ในระดับของพืชเป็นพีชะาเป็นไบโอเป็นการเกิดดับที่ต่ํามากแต่ว่าพอมาเป็นชีวะเป็นบีอิงอย่างเราเนี่ยมาเป็นบีอิงพอไปเป็นปบีอิงปั๊บมาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนความถี่ของการเกิดดับเริ่มสู ง, งการเกิดดับที่สูงเนี่ยนึกถึงน้ําอีกครั้งหนึ่งที่ไหลลงมาจากเขื่อนแล้วไปหมุนมอนิเตอร์ที่ความถี่สูงมากเอาไปทําอะไรก็ได้ ใช่ไหมในอิเล็กทริกอลพาวเวอร์เนี่ยทั้งๆที่น้ำไหลธรรมดาความถี่ตำ่ำไม่สามารถจะกอเกิดแสงสว่างได้ใช่ไหมพอไปหมุนมิเตอร์ที่มีความถี่สูงพเพรา้ํ้านี่สูงกว่าหมุนพลังก็เกิดชั้นไหนก็ดีตัวดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเกิดมาจากดินน้ำลมไฟใช่ไหมท่าสีผสมผสานในการอัตราที่ที่ถูกส่วนี่พอดีปั๊บเนี่ยก่อให้เกิดการหมุน หมุนตัวนี้เราเรียกว่าการเกิดดับเพราะนั้นอำนาจของธาตุสี่จึงเป็นพลังที่มีอำนาจแฝงที่ลึกใหญ่หลวงมากเป็นสิ่งที่มหาเชจันย์พระองค์ว่าในธาตุสี่แค่ดินน้ำลมไฟเมื่อผสมประสานได้เหตุปัจจัยแล้วมันเป็นได้สารพัดอย่างตั้งแต่สัตว์ตัวเล็กๆขึ้นไปถึงต้นไม้บรรใบหญ้าสัตว์ใหญ่ช้างมา้าวัวควายคนจากดินน้ำลมไฟเป็นสิ่งมหาชจย์ ดินที่เราอยู่ที่เราเหยียบเนี่ยเอาปลูกพริกออกมาเป็นรสพริกปลูกมะเขือรสมะเขือปลูกของหวานออกมาเป็นผลไม้ที่หวานปลูกของเปรี้ยวทั้งที่ธาตุบริเวณเดียวกันน่ยแต่ถ้ามันมันมีรสชาติกลิ่นอะไรมันหลากหลายนี่คือความวิจิตรพิสดารของธรรมชาติเราไปคิดเอาไม่ได้แล้วตรงนี้เพราะอะไรเพราะมันเกินวิสัยของเรา ในพุทธิจายบอกว่าธาตุสี่นีแหละเป็นสิ่งมิเศจรย์เพราะมันสามารถปรุงได้เป็นร้อยอย่างร้อยอันพันอย่างดังนั้นเองถามว่าตัวพลังของการเกิดดับมาจากอะไรมาจากธาตุสี่ที่สมรุนกันเมื่อสมรุนกันพอดีมันก่อขึ้นอีกสองธาตุเรียกว่าอากาศธาตุและวิญญาณธาตุตัววิญญาณธาตุคือเป็นมีความถี่ในระดับตัวรู้ขึ้นมาละ ตามลำดับนี่อันนี้คือกฎของธรรมชาติแต่ถ้าหากว่ามากเกินไปกว่านั้นนี่ก็จะเกินความรู้ของเราผู้ทีเจ้าทั้งบอกว่าอย่าไปคิดเลยเป็นอจินไตเป็นวิสัยของสัมมาสัมพุท ธ, ธะที่นั่นจะรู้ไม่ใช่วิสัยของอรหันตสาวกหรือบุตุชนนะ ว, ว่าเราก็เอาแค่นั้นเอาแค่ว่าเราได้รับประโยชน์เข้าไปตามรู้ของการเคลื่อนการไหวการไปการเกิดดับจนกระทั่งจิตของเราไม่ไปสร้างสมุทยัยแห่งทุกข์ก็ถือว่าในระดับสาวกแค่นี้พอละแค่ไม่ทุกข์ ไม่เวียนว่ายใจเกิดใช้ได้นะเราไม่ได้สร้างบา ร, รมีมาเพื่อเป็นผู้ดิเจ้าเราก็จะรู้แค่นั้นนั้นเองจึงอยากจะให้พวกเราได้ศึกษาและปฏิบัติทำความเข้าขใจในนี้บ่อยๆนะจากช่วงนี้อยากจะให้นั่งทำจังหวะเปลียนเอียบบททุกสนาทีหรือห้านาทีตอนแรกนะเอา อีบทนั่งท่าไหนก็ได้แต่ให้เปลี่ยนให้ครบถ้าคนไหนเริ่มจากท่าเพียบขวาถ้าจะเปลี่ยนมาเป็นเพียบซ้ายคนไหนนั่งขัดสมาธิก็เปลี่ยนขัดสมาธิหนึ่งขัดสมาธิสองขัดสมาธิสามไม่ต้องขัดสมาธิสามนี่นั่งยากเนาะเรีย ด, ดอกบวัวหงายนะแต่ขัดสมาธิแล้วคนไหนเริ่มจากทับซ้นก็เปลี่ยนมาเป็นคูเขาคนไหนเริ่มจากคูเขาก็เปลี่ยนมาเป็น ชันเข่าคนไหนจ่ชันเข่าก็เปลี่ยนมาเป็นเหยียขาได้ไหมเหยียดขาแล้วนั่งตู้อีข้างหลังตอนหลังต้องเปลี่ยนคนที่นั่งตู้อีข้างหลังมานั่งข้างล่างว่างไอ้คนนั่งข้างล่างมานั่งตู้อีข้างหลังว่างได้เปลี่ยนกันตกลงนะลองเปลี่ยนดูสักระยะหนึ่งเอาสักกี่นาทีดีตัวเนื่องตกลงกันกันสิบไหวไหมเอาสักยี่สิบก็แล้วกัน นะเอาเริ่มต้นกันเลยปรับฐานท่านะให้ตรงให้ใจให้ลึกคนที่นั่งเก้าอี้ก็ปรับขยับไปขยับมาก็เลยกันทีนี้เอาของจริงเลยนะว่าเราจะสามารถทนปรับคือหมาดของมันเคลื่อนไหวปรับได้เรื่อยๆปรับไปปรับมาแต่ท่าละกี่นาทีก็ตามท่าละสองนาที3นาที5นาที7นาทีถ้าไหนทุกที่นั่งแล้วสบายก็ยาวหน่อยก็ได้ถ้าไหนรู้สึกนั่งไม่สบายก็เปลี่ยนทีหน่อยก็ได้แต่ขอให้เบาสบาย พร้อมกันนะ